ขอเรียนถามว่าเรานําข้าวไปกับข้าวที่จะไปทําบุญตักบาตรถาวายพระหม้อไปคนอื่นไปใส่บาตรกับพระเราจะได้บุญกุศลหรือไม่โออถ้าไปจะไปใหญ่ของเราได้อย่างนั้นก็คนที่ฝากไปไปไม่ได้ก็อดรีไม่ได้บุญได้แต่ก็ต้องแบ่งให้คนที่เข้าไปสักเพลิงนึงนะสักเพลิงหนึ่งน ะ, งนงนะได้ความนะแล้วอจะมาจะถามโยมมั่ง ยอมมีลูกชายคนหนึ่งไม่ได้เจตนาให้ลูกชายบวชและไม่มีศรัทธาต่อผู้สัตว์นาะแต่ลูกชายบวชนะแล้วไปบสถที่เอื่นแล้วยอมก็ไม่รู้อยากจะถามยอมยอมได้บุญไหมยอมได้บุญไหมฮะใครว่าไม่ได้มากมีมยไหมโอ้โหเบงมาจะตายไม่ได้ไง